ถ้ธรรมเทศนาแผ่นที่55าลำดับที่22โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่9ตุลาคม2556มีชื่อเรื่องว่าพิสูจนามธรรมวันนี้เป็นวันที่สิบ ตุลาคมพุทธศักราช2556หลวงพ่อไปเทศงานของหลวงปู่ใหญ่วัดโพธิสมพรพระอุรมยานโมลีเมื่อคืนนี้เขานัดห้าโมงเย็นหลวงพ่อไปถึงก็ขึ้นธรรมารแลวก็แสดงธรรมใช้เวลาชั่วโมงกว่า เสร็จแล้วก็แจก MP3 หลวงพ่อเอา MP3 ไป 6, 600ชดุด600แผน่นให้พระท่านจัดให้พอเอาไปแจกคนไปถึงดูๆไปถึง 2,000-3,000 มังคนมากมาาเมื่อวานทั้งข้างนอกข้างในข้างนอกข้างในนึก็เต็มแบบยัดจนไม่มีที่จะนั่งแล้วก็ข้างนอกอีก ลูกสิว่าลูกหลานสนใจไยธรรมะพอสมควรอยู่เมื่อวานแจกเ p 3 600แผ่นได้แต่แถวหน้าโอ้หลวงพ่อก็คาดเป็นถึงเหมือนกันว่าคนจะมากขนาดนี้แต่เมื่อวานหลวงพอ่อเทศหรือวันเน้นเรื่องสมาธิมากเมื่อวาเนเรื่องพิธีวิธีการทำสมาธิ เพราะเรื่องทานเรื่องศีลง้ก็ครูบายจานเขาคงจะพูดมามากแล้วแต่เรื่องสมาธิตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญ น, นรกสวรรค์มีจริงหรือไม่พิสูจน์ยังไงเมื่อวานพอว่าให้พิสูจน์พราะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่แล้ว ให้พวกเรานั่งสมาธิพระพุทธเจ้าพิสูจน์ยังไงท่านจึงหายสงสัยท่านจึงรู้ปุเพในวาสานสุสติยานระลึกชาติคนหลังได้ท่านทำยังไงท่านจึงรละลึกชาติคนหลังได้วิธีการทำแล้วก็หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านทำยังไงท่านจึงเชื่อว่า ว่ารมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของจริงพิสูจน์ได้แล้วเห็นรู้เห็นด้วยตนเองมั่นใจทำไมกูบาจารย์ระดับหลวงปู่หลวงตาท่านจึงเสียสลับแบกกดตะภายบาดเข้าไปสู่ป่าดงผงไัยอยู่ในที่กูกลัวอย่างพระพุทธเจ้า ที่ท่านไปพิสูจน์ท่านออกจากเฟียงวังเป็นพระเจ้าแผ่นดินออกไปอยู่ตามลำพังถึงหปีไปค้นคว้าศึกษาจนได้มาเจอมาพบหลักธรรมจึงได้นำธรรมคำสอนออกมาแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเมื่อได้รับธรรมคำสอนแนะนำจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ท่านก็ได้นำทำคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนท่านให้กําหนดอย่างไรให้ทําอย่างไรท่านก็มั่นใจเชื่อในทำคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างอื่นร้อยเปอร์เซ็นต์เกิดร้อยอีกต่างหากเป็นอย่างที่ทำคําสอนของพระพุทธเจ้าบอกกล่าวแต่สําหรับทางโลกที่พวกเรา จะเป็นวิทยาศาสตร์แขนงไหนตันน้งแต่หน้าซาดลงมาไม่ว่าวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่ว่าวิทยาศาสตร์ตรวจ ด, ด้วยเครื่องจุลทรรศระดับไหนตรวจได้แต่เพียงกายท่านเองรูปประธรรมรูปประธรรมในตรวจตรากันได้แต่นามธรรม ความรู้สึกนึกคิดเนี่ยเอาอะไรจับไม่ได้ตัวนี้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ย ท, ท่านใช้หลักธรรมคือสมาธิธรรมจับตรวจดูตัวนามธรรมท่านจึงให้คำทับศัพท์ว่ามโนปุพังขมาธรร ม, มามโนเศรษฐามโนมายา เ, เป็นบาลีท่านแปลว่า เรื่องทางหลายนามธรรมเป็นใหญ่นามธรรมเป็นหัวหน้าสําเร็จลุย้ยด้วยนามธรรมนะท่านไม่ใช่ลูประธรรมนะสรุปแล้วก็คือว่ารถคันนี้นะทางรถคันนี้นะจะไปที่ไหนโซเฟอร์สำคัญโซเฟอร์เป็นหัวหน้า สำเร็จด้วยโซเฟอร์แต่พวกเราท่านทางไลยรถคันนี้เป็นใหญ่รถคันนี้เป็นหัวหน้าสำเร็จด้วยรถมันมองกันคนละมุมหนะลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนะี่ยท่านมองโซเฟอร์โซเฟอร์เป็นใหญ่โซเฟอร์เป็นหัวหน้าสำเร็จด้วยด้วยโซเฟอรนะ์ถ้าว่าโซเฟอร์ไม่ขับรถรถไปจอดอยู่นี่มันก็อยู่อย่างนั้นะ ถ้าโซเฟอร์ขยับขึ้นไปสตาร์ทเครื่องตึบ๊บขับรถออกไปได้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้ความสำคัญว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสามเร็จแล้วด้วยใจแต่วิทยาศาสตร์ของเขาเน่ยเขาค้นได้ตั้งแต่รถอยู่เท่านั้นเพียงแต่รถเพราะเห็นเป็นรูปธรรมศึกษาสมองนึกคิดเรื่องอะไร แต่คนที่มาใช้สมองนั้นวิญญาณที่มาใช้สมองน่ะ น, นามธรรมที่มาใช้สมองนั้นเขาไม่รู้นำตามไม่ถึงฮเพราะฉะนั้นเมื่อตามไม่ถึงเลยจะว่ามันไม่ใช่ไม่มีหรอกก็แสดงว่างโง่เกินไปแหละเหมือนกับ น, นาซนะ่าตัวเองขึ้นไปถึงโลกพระจันทร์ดีอกดีใจไปถึงโลกพระอังคารก็ดีอกดีใจ แล้วดาวในท้องฟ้าละ่ะมากมายมหาศาลไปทุกดวงแล้วอย่างอย่างทําไมไปไม่ถึงเพราะเหตุอะไรเพราะไม่มีวิธีกรรมวิธีการที่จะไปให้ถึงได้ไอสิ่งที่เราไม่ถึงนั่นะสิ่งที่เราไม่เห็นสิ่งที่เราไม่ได้พิสูจน์ยังไม่ได้เนี่ยเราจะจัดบ้างเราโง่หรือเราฉลาด แต่ก็ไม่ยอมว่าตัวเองโง่นะท่านนี่ห ม, หมูบหมับมู่มับเหมือนกันฮบอกข้าไม่รู้จะว่าโง่หรือฉลาดข่าไม่รู้ทั้งนั้นแหละฮแต่ตามไม่จริงถ้าพูดตามภาษา ศ, าศาพัพท์เราก็ต้องว่าโง่ทั้งนั้นสิ่งที่เราไม่รู้ย่าลังพิสูจน์ไม่ได้เรายัางโง่อยู่ในจุดนั้นนี่แหละไม่ใช่ว่าเราจะรู้ได้หมดทุกอย่างสิ่งไหนก็ตาม ที่เรายังไม่รู้เราไปตปฏิเสธได้ยังไงอันนี้พระพุทธเจ้าท่านรู้ได้แล้วว่านามธรรมเป็นใหญ่โซเฟอร์เนี่ยเป็นใหญ่โซเฟอร์เป็นหัวหน้าสําเร็จด้วยโซเฟอร์รถคันนี้มันจะไปทางไหนเพราะฉะนั้นโซเฟอร์เนี่ยจะต้องรับการอบรมอย่างดีเอาศีลธรรมจริยธรรมต้องโซเฟอร์ต้องมีมารยาทพูดง่ายๆ ถ้าโซเฟอร์ไม่มีมารยาทที่ดีไม่มีศีลธรรมจริยธรรมมีที่รับมีที่แจง้งเห็นมอเตอร์ไซค์ขับมาขวางถนนเสียวมกุนนะเลยชนมอเตอร์ไซค์ของเขาเพราใครไม่เห็นหรอกก็วิ่งชนเสร็จแล้วก็วิ่งหนีใครไม่เห็นอันนี้แปลว่าโซเฟอร์ไม่มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรม ถ้าคนโทรเพื่อมีศีลธรรมแล้วถ้าหว่าฆ่าเนี่ยบางทีมันจําเป็นมันมองไม่เห็นฆ่าขี่มอเตอร์ไซค์มาถ้าว่าคนมาชนฆ่าอย่างนี้ฆ่าเสียใจไหมฆ่าก็ต้องเสียใจในเมื่อฆ่าเสียใจฆ่าไปชนคนอื่นเขาเขาก็ต้องเสียใจเพราะฉะนั้นต้องหลบต้องชะลออรถของเราต้องชะลอเพราะรถของเราเป็นรถใหญ่ยุดซะก่อนก็ไม่เห็นจะเสียเวลาที่ตรงไหน อันนี้แปลว่าโซเฟอร์มีมารยาทโซเฟอร์มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมถ้าโซเฟอร์มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมไปนัสถานที่ใดดีทั้งหมดแต่ถ้าโซเฟอร์โคโลโคโซเห็นแก่ตัวนักเกรงหัวไม้อีกต่างหากเกกะละลานอีกต่างหากไม่มีชอบป่นชอบสะร ม, มอีกต่างหาก แปลว่าโซเฟอร์ตัวนั้น่ะไม่ได้รับการอบรมทางด้านศีลธรรมจริยธรรมที่ดีรถคันนั้นไปที่ไหนเดือดร้อนทั้งหมดเข้าไปในชุมชนใดชุมชนนั้นก็เดือดร้อนเพราะว่ารถคันนี้คล้ายๆว่าประสาทประสาทคนประสาทขับรถนี้ก็เหมือนกันใจของเราถ้าหาว่าได้รับการอบรมดีที่ดีอยู่ในหลักธรรมศีลธรรมจริยธรรม ของพระพุทธเจ้าเข า, าเราแล้วควรปฏิบัติตนอย่างไรควรจะรู้แจ้งเห็นจริงอย่างไรนี่ต้องศึกษาและท่าต้องศึกษาเพราะวิชาในโลกจะมีมากขนาดวิชาธรรมาหาเลี้ยงชีพอย่างเดียวในมหาวิทยาลัยมีกี่แขนงที่เราเรียนมีกี่อย่างมีกี่แขนงแต่และมหาวิทยาลัย เห็นความชานิชำลานต่างกันอีกต่างหากและวิชาพุทธศาสนาลนะ่ะจะเป็นวิชาห่วยๆอย่างนั้นหรอไม่ต้องเรียนก็รู้ได้วิชาพุทธศาสนาอย่างนั้นใช่ไหมถ้าเข้ามาเรียนดูแล้วจะรู้ได้ว่าพุทธศาสนาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพราะเป็นเรื่องที่ดูนามธรรมมันไม่ใช่ดูรู ป, ปธรรมรู ป, ปธรรมมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เราเรียนเราศึกษาเนะ่ยเป็ น, เ ร, นเรียนรู้เรื่องรูปธปรรมการทํามาหาเลี้ยงชีพอย่างไรการทํามาค้าขายอย่างไรใช้กฎระเบียบอย่างไรเป็นรูปธรรม ท, ทั้งหมดแต่พุทธศาสนาสอนเรื่องนามธรรมนึกคิดอย่างไรจะทำยังไงในใจของเรามีอะไรแฝงอยู่ ทำไมบางครั้งมันพอใจบางครั้งไม่พอใจบางครั้งโมโหบางครั้งก็โกรธบางครั้งก็รักเออบางครั้งก็เกลียดทำไมรักธรรมท่านสอนเขามามองด้วนั่นคือตัวกิเลสตัวกิเลสถ้ามีความรักขึ้นมาเน่ตัวกิเลสราคะความรักความชอบถ้าฉุนเฉียวโมโหขึ้นมานั่นแหละตัวกิเลส ตัวโทสะฮะถ้าเห็นอะไรมีแต่อยากได้ของเขานั่นแหละตัวกิเลสตัวโมหะตัวโลภะเนี่ยแหละอยู่ในจิตใจของเราคือตัวใหญ่ที่สุดอยู่ในจิตใจที่ทำให้จิตใจของเราเนี่ยเกิดโทสะบังราคะบั้งโลภะบังเนี่ยมันอยู่ในจิตใจแต่เพราะพระพุทธเจ้าท่านมองะจะกำจัดออกได้ยังไง ตัวราคะตัวโทสะตัวโมหะตัวโลภะเนี่ยจะกำจัดออกได้อย่างไรเนี่ยแหละอันนี้ต้องศึกษาเลยิันี้ปิจีการที่จะกำจัดสิ่งที่มันไม่ดีออกจากจิตใจเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสัทยาญาิโยมลูกหลานพระเนเนทั้งหลายให้ศึกษาเรื่องทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องละเอียดอ่อ น, นทางโลก มันเป็นรักษาศึกษาเรื่องรู ป, ปรธรรมนะพูดอย่างนั้นได้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพุทธศาสนาเนี่ยท่านให้ความสนใจท่านให้ความใส่ใจเรื่องนา ม, มธรรมนะมันแยกกันแล้วนะรู ป, ปรธรรมคืออะไรคือตัวรถอย่างที่หลวงพ่อพูดนา ม, มธรรมคืออะไรคือโซเฟอ ร, รถนะเนะี่ยเทนี้ก็ศึกษาอะไรเส็จ ศึกษาตัวรถกับศึกษาโซเฟอรนะ์รถทางโลกทางหลายทางปวงเขาให้ความสำคัญเรื่องของรถราคาแพงมากคันหนึ่ง2 0่0ิ0เป็นร้อยล้านก็มีรถแต่เรื่องนามธรํมเนี่ยเขาไม่ได้ใส่ใจเพราะเขาไม่รู้เรื่องนามธรรมาแต่ละคนแต่ถ้าโซเฟอร์นะี่แหละวพราะนั้น สึหลักของพุทธศาสนาท่านให้ความสำคัญเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของกายพวกเรามาสังเกตดูเวลานั่งภาวนากำหนดจะทำยังไงจึงจะสังเกตใจได้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแตงไว้ให้นั่งสมาธิเหมือนกับ น, นั่งพระประธานนั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดารงสติเฉพาะหน้า กำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกนั่นแหละจะเห็นโซเฟอร์ล่ะโซเฟอร์จะนิ่งโซเฟอร์จะมาอยู่กับตัวเองเห็นได้ชัดเจนแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้ภาวนาอย่างนั้นโซเฟอร์อรหล่อลาะแหละไปที่ไหนก็ไม่รู้จับไม่ได้โซเฟอร์สัมภเลษเทเมาไปหากินเหล้าที่ไหนก็ไม่รู้ในร่างกาย คิดปรุงฟุ้งไปทางไหนก็ไม่รู้แต่ถ้าว่าจิตใจของเรารวมสงบลงเป็นหนึ่งนิ่งร่างกายของเราลงเป็นหนึ่งแต่ใจของเราที่เป็นตัวรู้สึกนึกคิด เ, เอาสติควบคุมกับจิตอยู่นิ่งอีกสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็เหมือนกับเราไปจอดรถทิ้งไว้ จอดรถทิ้งไว้ติดเครื่องไว้ชึงๆึ่ง ช, ง ช, งชงึแต่โซเฟอร์มาอยู่ในห้องแอร์มันนอนอยู่ห้องแอร์มันนั่งอยู่ห้องแอร์สบายอยู่พักอยู่ห้องแอร์แต่รถมันติดเครื่องอยู่ไม่รับรู้รับทราบในขณะนั้นเพราะใจของเราไม่ได้อยู่ในรถมีแต่ติดเครื่องไว้เครื่องยังไม่ดับ แต่ตัววิญญาณตัวผู้รู้เนี่ยเข้ามาอยู่ในห้องแอร์ใ น, นลักษณะอย่างนั้นนะท่านเปรียบเทียบคนนีนะ้พระอระหันต์ที่ท่านได้ปฏิสัมพิธายานเตวิชโชสละพิญโยปฏิสัมพิทัประตูพระรานที่มีท่านได้มีวิ ช, ชาไม่ใช่พระอระหันต์สุขวิปัจสโกถ้าเป็น พระหานสุขวิปัสสโกเพียงแต่ได้บรรลุธรรมท่านก็รู้ว่าได้บรรลุธรรมตัดกิเลสภายในใจอันนี้จะจะเข้าในรถสมาบัติไม่ได้จะเข้าสมาบัติไม่ได้แต่แท้วเตวิโชสละพิญโยปิทิสัมพิทัปปโตพระหานสามจำพวกเนี่ยจะเข้าสมาบัติได้การเข้าสมาบัติของพระหานท่านจะเข้าไปในสถานที่เหมาะมุมสงบ จากนั้นก็เออเข้าพเจ้าจะเข้าสู่นิพพานเข้าสเสวยวิมุตติสุขในนิพพานเรียกว่าถ้าหากว่าเข้านิพพานคาว่าใจขาดเด้ยกว่ามรณภาพนั่นอันเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพานอานุปาทิเสสนิพานแปลว่าตายอุปาทิเสสนิพาน คือเข้าสู่นิพพานขณะยังมีชีวิตอยู่แล้วว่าอุ ป, ปาทิเสสนิพานคือเข้าสู่นิพพานขณะยังมีชีวิตอยู่คือเข้าสานสมาบัติและท่านจะตั้งจิตอธิษฐานเออข้าพเจ้าจะเข้าสานสมาบัติจะเข้าสู่นิพพานขณะยังมีชีวิตอยู่จากนั้นท่านก็นั่งคัดสมาธิตั้งจิตอธิษฐานไว้เลยว่าร่างกายของเรายังเป็นยังไงอยู่อย่างนั้น เพียงแค่นั้นแหละคล้ายๆจอดรถในในที่ปลอดภัยแต่ว่าพระอรหันต์ยิ่งกว่านั้นอีกยิ่งกว่าที่ปลอดภัยอีกถึงจะใครจะฆ่าจะทุบจะตีงไม่มีไม่มีการสะทกสถานด้วยอิทธิฤทธิ์ด้วยฤทธิ์ของของพระอาหารหันต์เมื่อขั้นทั้งเข้าทั้งสมาธิท่านจะเน่งโดยมากจะเข้าเจ็ดวันเข้าสมาธิเข้าฌานสมาบัติ พอออกจากฌานแล้วก็เหมือนกับรถมันติดเครื่องอยู่รถติดเครื่องชึงจึงึงจึึ ง, ง, งน้ําก็ต้องแห้งน้ํมันมันก็ต้องแห้งแต่ท่านก็กาหนดดูแล้วว่าน้ามันนี่จะใช้ได้ไปเจ็ดวันน้ําจะอยู่ได้เจ็ดวันจะอยู่ได้แไม่มีปัญหาท่านก็เข้าสมาบัติพอสมาบัติได้เจ็ดวันถ้าก็ออกจากสมาบัติเข้าไปสู่นิพพานเหมือนกับเราจอดรถไว้และท่าน ออกไปนั่งสวยวิมุตติสุขถ้าเปรียบเทียบกันนั้นไปชมตลาดไปเที่ยวตลาดไปทานอาหารตามสบายแต่รถมันจอดอยู่นั่นพอได้เจ็ดวันนั้นท่านก็เข้ามาในในร่างกายในร่างกายของท่านนี่แหละอันนี้คือคือพระหันที่ท่านเข้าสมาบัติมีในพระไตรปิฎกท่าน ้ตรัสได้พูดไว้อย่างนั้นนี่แหละสรุปเท้าก็คื อ, คอท่านให้ความสำคัญเรื่องของนามธรรมเครื่องของใจมากกว่าเรื่องของกายกายเนี่ยเป็นเครื่องอาศัยของนามธรรมแต่พวกเราท่านทั้งหลายให้ความสำคัญเรื่องรูปธรรมมากกว่าเพราะว่ามันพิสูจน์ยังไม่ได้อย่างนาท่าพิสูจน์ดวงดาวในท้องฟ้าในจักรวาลนะมีตั้งมากมายเป็นหลายแสนดวง พิสูจน์ได้แต่งแต่ดาวดาวพระอังคารดวงจันทร์ไม่กี่อย่างแต่ดาวในท้องฟ้ามีไหมมีเคล่นไปสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นใกล้ใหญ่ใหญ่ก็อยู่มองด้วยสายตาในเมืองมนธธุษย์มองด้วยกล้องเท่าไหร่ยิ่งเห็นมากแต่ที่ไกลๆอย่างนั้นกี่ล้านกี่ล้านล้านใหม่เห็กัยังว่าไปอีกนั่นแหละตรดนั้นมันไปไม่ถึง นี้ก็เหมือนกันนะทาคาสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราท่านทั้งหลายโง่โง่เงาเงาอย่าไปประมาทให้ศึกษาซะก่อนถ้าเราศึกษาเรียนรู้แล้วนะนะั่นแหะมันไม่เป็นอย่างที่เราคาดคิดนะนะ เ, เราจะค่อยว่าแต่ว่าวิธีการมันก็อย่างว่าอีกเหมือนกัน เ, เขาบอกว่าขุดทองตรงนี้นะมีทองนะมีเพชรนินจินได้อยู่ตรงนี้นะหลวงปู่มั่นท่านสอนใ้ตรงนี้นะแต่นู่น เราไปหาขุดที่อื่นก็ไม่ก็ไม่รู้โดยโดยเ ด, ย ด, ยดยไปไงนะั้นไปขุดเกา่านน่นเกา้านี่ไปโอไม่มนะีเพราะเหตุไรเพราะเองตัวเองไม่จริงจังไม่เชื่อมั่นอีกต่างหากแล้วจะไปรู้ได้อย่างไรถ้ามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจจริงมีความเชื่อเป็นเบื้องต้นซะ ก, ก่อนจากนั้นลงมือขุดปฏิบัติตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสัง่งสอนไม่เหลือพิสัยเพราะนั้นะขอให้พวกเราทุกท่านนะ ที่พูดให้ฟังทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อเป็นแนวความคิดเพิ่งแนวการศึกษาคนสมชายมันกำลังจะลองขึ้นมาอีกอรับพรในตอนนี้นะ